ท่านสาธุชนพุทธบริสัทธ์ทั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มาต่อกันไปในเรื่องราวของพระเวชนดอนชาดกแต่ความจริงในวันก่อนมาหยุดยั้งอยู่ตอนที่โชชกเข้าไปใกล้อสมของพระเวชนดอนแล้วก็พักนอนอยู่หนึ่งคืนแต่คิดว่าบรรดาสตรีจะมีความตนีในการให้ทาน ทั้งทั้งพระทั้นี้พระว่าแกจะต้องการขอสองกุหมานไม่ไม่ใช่ของอืน่นเป็นเลือดเนื้อชาดเชื้อไขถือว่าเป็นเลือดภายในกายของบรรามสีอย่างนี้จะถึงว่าอิสตรีเป็นคนเหนียวแน่นแตนีในการบริจาคทานมันก็ไม่จริงความจริงชูชกมีคิดผิดแต่ว่าถูกสำหรับแก แกค่ากระเนห์ถูกไวยการขอสองกุ ม, มารนี่มัสสีมให้แน่ <c oughs> แต่ถ้าว่าวาจาที่กล่าวว่าวรรดาสตรีมีความดันหนีนี้ไม่จริงเราจะเห็นว่าเวลานี้บรรดา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัทชายและหญิงที่บำเพ็ญกุศลกันมากๆนั่นก็คือสตรี เราจะโดนได้ว่าการบริจาคทานก็ดีนักเสียสละใดๆก็ดีหรือว่าการบำเพ็ญกุศลบุญญราศีในสลาวัดหนึ่งงเราจะเห็นว่ามีผู้ชายนีมียมไม่เกินสี่เปอร์เซนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผู้หญิงในการที่ใส่บายกับพระตามหน้าบ้านก็เหมือนกัน เพื่อ น, น้อยรายที่จะมีผู้ชายมายืนใส่บาทส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและการสังคมสงเคราะห์ต่างๆเวลานี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงผู้ชายมีก็จริงแหละแต่ถ้าว่าปริมาณน้อยโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับอาตมาเห็นจริงและการสงเคราะห์บุคคลผู้ยาก จ, จนในถิ่นทุรกันดาร คนที่ติดตามไปนั้นส่วนใหญ่จริงๆเป็นผู้หญิงเปอร์เซนต์ของผู้ชายน้อยจริงๆและผู้กระทงผนงานอย่างไปที่ไปอสอนงานเข่าของคมมากที่ต้องขนขึ้นรถคิดว่าของนี้ถ้าอยาขนขึ้นหมดก็ต้องใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแต่ว่าที่ไหนได้ ลูกสาวลูกชายส่วนใหญ่เป็นลูกสาวหลายสิบเปอร์เซ็นคือแปดสิเปอร์ซ็นและเก้าสิเปอร์เซนตทำงานกันประเภทวิ่งจัด ก, การจะไม่ถึงเครื่องชัมมองก็เสร็จนี่จะเห็นว่าตีตาชูชกก็ดูเนี่ยมันดูผิดคิดว่าผู้หญิงเป็นคนนดนมแต่ความจริงถ้าอยากจะมองกันไปดอดกที ว่าบนสวรรค์ยิ่งกามาวาจรสวรรค์นี่เทวดาหนึ่งมีนางฟ้านับหมื่นนับแสนไอ ม, มีการนางฟ้านับหมื่นนับแสนนี่ไม่ใช่ว่าเทวดาเจ้าชูม้มีเมียทั้งหมื่นนางแสนมันไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าบริวารก็เป็นบริวารหมายความเทวดาไม่ยกฐานะบริวารขึ้นเป็นพัญญา ถ้าได้ว่าหญิงท่านหลายเหล่านั้นท่านเป็นคนใจบุญใจกุศลเมื่อตายจากคนจึงเป็นนางฟ้านี่เห็นไหมละ่ะมากเยอะ <c oughs> ถ้าท่านไม่มั่นใจความรู้ในศาสนาก็องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดามีจงพยายามปฏิบัติตามหลักสูตรที่องค์สมเด็จพระจินศรีสอนไว้คืนหนึ่ง ทำรรทิฏฐิจุภิยาณให้ปรากฏหรือสองทำอภิญญาให้ปรากฏเจนว่าคำตรัตนวาจาที่ตรัสของค์สมเด็จพระบรมสุคติว่าเทวดามีจริงพร ม, มีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงท่านใจเห็นจริงทุกอย่าง จงอย่าใช้เฉพาะมันสมองที่ประกอบไปด้วยของโสโครกเอามันนั่งวิจัยคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านจะไม่เห็นจริงท่านจะไม่รู้จริงมันจะกลายเป็นว่าเรากลายเป็นตุกตาหินที่ปราศจากมันสมองเอาว่ากันต่อไปทิ้งมันแค่นี้ให้อยาสงสัยก็สงสัยไป เป็นนั้นว่าในคืนวันนั้นบรรณานมัสยีก็ทรงพระสุบิงคือฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างดำร่า ง, ร, างร่างกายกำยำใหญ่โตมากนุ่งผ้ากาสาวพัฒผ้ากาสาวพัฒแบบพระทัดดอกไม้แดงมือถือดาบบุกรุกเข้ามาในบรรณารา แล้วก็จับพนางที่ชดาแล้วก็ฉุดกระชากลากออกมาผลักพนางให้ล้มนอนหงายลงไปบนแผ่นดินแล้วก็ควักเอาพระเนตรทั้งสองข้างตัดอภาพระพาหาคือแขนซ้ายและแขนขวาแล้วก็พาพระุรล้วงเอาดวงหาไทยก็ดวงใจไป เมื่อฝันจบก็ปรากฏว่าพระนางสะดุ้งตื่นตกใจพรว้าพระวรกายสั่นด้วยอำนาจของการผันร้ายจิงได้รีบเสน็จไปหาพระเวชนดรที่อาศมของพระองค์เพื่อทูลขอให้ช่วยทานายนี่เป็นนั้นว่าสแสดงว่าพระเวชันดรกับพระนางมาสีเนี่ยไม่ได้อยู่ลมอาศมเดียวกัน นคนเขียนหนังสือนี่นเขาเขียนปแปลกทำไมช่วยริดเนี่ยชอบริชอบรอนช่วยตัดช่วยทอนของจริงออกทั้งนี้ก็ได้กลัวจะไม่แน่ใจเพราะท่านเองถ้าไม่สามารถจะรู้ได้จะเห็นได้เกิดเลยคิดว่าหนังสือท่านเองกล่าวไว้เลิดเลยเกินความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ที่ญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงที่กล่าวมาแล้วว่าพระพุทธศาสนาที่จะเสื่อมพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครครับทาให้เสื่อมนอกจากรูตถาคตครูวิสุวิสุนียุมบาสุกบาศิกานี่แหละที่ยะพูดทำลายพระพุทธศาสนาให้พินาฏไปเวลานี้ฟังกันไปให้ดีเถอะ ผู้มุ่งทำลายพระศาสนานะี่ยมีศักดิ์ศรีนะถ้าเป็นคนกระจอกอก้อยทำลายพระศาสนาไม่ได้จะต้องเป็นคนมีศักดิ์ศรีใหญ่หรือมีชื่อเสียงพอสมควรจึงจะเข้ามาทำลายจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้หลายที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าได้ฟังกันไปดูกันไปแล้วก็จะเห็น คุยกันต่อไปเรื่องของเราเรื่องของเขาช่างเขาเมื่อเข้าไปหาพระเวสสันดรญาสมแล้วพ่อย้ายพระเวสสันดรช่วยทํานายทายทักว่าฝันนี่มันร้ายพอดูพอพระเดชไปถึงก็ทรงเคาะประตูทั้งทั้งที่ยังไม่สว่างตอนนี้พระเวสสันดรแปลกใจ <c oughs> ดีไม่ดีคิดว่าพ น, นางมาสีจะจับพระเวชนดรสิกันตอนนี้แหละพระเวชนดอนยิ่ได้ทรงตัดถามว่านั่งใครใครมาเคาะประตูนในเวลาค่ำคืนตอ น, นแหล่เขาร้องเพราะนไะงนั่นไม่ใช่ลเลยพนางสัปดาหและพนางมาสีที่ได้กราบทูลว่าก้าวกระหม่อมฉันมาสีพระเจ้าค่าพระเวชนดอนแปลกใจว่าเอ๊ะนี่มันยังไงกันนี่ เวลานี้มันยังไม่สว่าง น, นางมสีนะีน้ากลัวจะมีอารมณ์ข้างใช่ัหมยิ่งได้ตัดไปว่าเอ๊ะนี่เธอมสีลืมกฎิกาสัญญาใจเราหรือเพราะเราจะไม่ไปหามาสู่กันในเวลาค่ำคืนถึงแม้ว่าเราจะจะมาหาเราในเวลาไม่สุงคนช่นี้ ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีนะไม่บัซีนะความจริงในป่าแบบนั้นไม่มีอะไรถ้าใจชั่วสิอย่างกลางวันกลางคืนมันก็ไม่แปลกเนือ่อคนเป็นสา ม, มีพันธี ม, ส า, มาสาพัญญาสามีกันมาก่อนแต่ถ้าว่าพระเวชสันดรท่านทรงเคร่ง ค, ครัดในข้อวัดปฏิบัติ รือว่าเวลาราตรีสตรีไม่ควรจะมาหาแต่ความจริงแล้วว่ามาหามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีความสาคัญแต่นี่เป็นเรื่องของท่านท่านปรารถนาเพื่อพระโพธิญาณทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเข้มข้นหมดต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุคคือพระพุทธเจ้าเตโซนตัตทิว่าพระนามัชฌีนกราบทุนว่า พอท่านมาท่านทูลกับหม่อมแก้วดีหม่อมฉันฝันร้ายได้เกินพระเจ้าค่าพระแม่ทึานดอนยินถามว่าถ้ากนันนังก็จงอยู่ข้างนอกแล้วจงบอกมาว่าให้จแจมแจ้งว่าความฝันของท้าวเจ้าในเจ้าฝันเป็นประการใดพ <c oughs> ันนังกลับมาสีเงียกลับทุบรัยายความฝันร้ายอย่างที่ประทับ บอกทั้งหมดตอนที้กล่าวมาแล้วนะเป็นว่าเมื่อเมื่อพระเวสสันดร ด, ด้สงสรีดับก็ทรงนำดิว่าถ้าเราจะบำเพ็ญทา น, นบารมีหรือพัน่าเราจะได้บำเพ็ญทานนะเราจะมีโอกาสได้บำเพ็ญทา น, นบารมีพรุ่งนี้จะมีคนมาขอสองกุมาร เราจะปลอบพระนามวสีหายหกลัวแล้วก็กลับไปนี่หมายความว่าวันพรุ่งนี้จะต้องมีคนมาขอสองกุมาณแต่หว่าเราจะประายกรความฝันขขวามานามวสีให้ตรงไปตรงมานี่การบำเพ็ญทานน้ำบา ร, รมีคราวนี้จะต้องไม่เกิดผลฉะนั้นนี่ก็มีความจำเป็นจะต้องพูดแล้ว่าพูดให้กลับจากหน้ามือเป็นหลังมือข่าวเถิดนะ จะไม่พูดตรงไปตรงมาใน่นังสือนี่ทำไมเขียนให้ละเอียดนเน้่ยขความจริงบาลีเขาว่าละเอียดจริงๆและยังในทงแต่ว่าดูก่อนแม่มัศีที่รักความฝันของเธอที่ว่าร้ายเนี่ยแต่ความจริงมันไม่ใช่ฝันจริงๆหรอกนะมันเป็นเพระาะธาตุิการเธอน่อยู่ในพระราชฐานไม่มีการหน อ, อ่อนมาก่อน เวลานี้เธอต้องมาปฏิปฏบัติที่ที่ว่าพระเวชนนทรต้องมีความเหน็ดในอ่อนอยู่ตลอดวันเวลาสถานที่นอยก็ไม่มีความชัรันเลยเหมือนในพระราชนิเวศนี่ความฝันที่น้องฝันมา น, นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่ากลัวเลยเรื่องฝันจึงบอกจงสงบอกสง บ, สงบใจกลับไปยังก็ดีเสียเถิด ฝันนี้ไม่ใช่ฝันร้ายมันฝันฝันวิถิการ <c oughs> ในหมายกว่าว่าถ้าท้องมันกำเริบแล้วก็การฝันมันก็ไม่ตรงไปตรงมาเมื่อเวลาที่พระเวสสันดรทรงบรัญญัติก่ออยู่นั้นก็เวลาเป็นพก็พอดีเวลาสวา่างแจ้งพอดี พ, าาพาาานพามสีก็สรงจัดแจงทากิจวัตรหรือว่ากิจทุกอย่างทําเสร็จหมด เลขาทรสงสมกอดพระราชโอรสและพระรา ช, ชธิดาเล่าลมจูบหน้าจูบหลังจูบกรหม่อมด้วยหน้าของความรักพรางก็ประทานพระโอวาทว่าแม่จะเข้าป่าหาผลไม้ น, นันลูกนนลูกรักระวังเนื้อระวังตัวอย่าได้ประมาทเมื่อคืนนี้แม่ฝันร้ายยิ่งแม่ฝันร้ายยิ่งนักจะมีภยัย อย่าพากันไปเร่งไกลพระสมนุกนะกันแล้วก็ทรงาพาพระราจุมานัสองเข้าเฝ้าพระราชสวามีแล้วก็ทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพขอพระองค์อย่าทรงประมาทอาจจะมีภัยแก่ลูกรักมอมฉันมิตกนักวิญญ า, าีภาัย ๋อได้โปรดกรุณาประทานความปลอดภัยกันลูกขอมองฉันด้วยเถิดพิจ้าค่ะเมื่อตรัสฝากฟังดังนี้แล้วก็ทรงหิ้วกระเช้าแล้วก็ถือเสียมพเน็เปรี่ยมไปได้วยน้ำอสุชนคือน้ำตาแล้วก็เข้าป่าหาเผือข้ามันตำแนวไพรอ้อโหอ น, นี้เขาเรียกกันอะไรเนาะ ไยตาชูชกกกนึกกันเน อ, อยู่ว่าพ น, นางมัดซีเวลานี้ก็คงจะเสด็จเข้าป่าไปแล้วจมอีมอนี่กันเหลือเกินคอยเวลาแกก็รีบออกจากที่พักบุ้งหน้าไปยังอาสมของพระเวสสันดรซ <c oughs> ึ่งขณะนั้นดวงกำลงังเสด็จประทับนั่งอยู่บนแผ่นศิลาพร้อมได้วยระมาณทั้งสอง พอพระองค์ทอดประเนตรหินชวชุกเดินเข้ามาก็ทรงทราบได้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะได้บำเพ็ญทา น, นบรารมีที่ประสงค์ทรงมีราชไทเบิกบานแลรตัดว่าพรามเอย๋ยเชิญท่านเข้ามาเถิดแล้วก็หันไปตรัสกับพระชาลี อันกับไปกัดกับชาลีกุมารว่าพ่อชาลีลูกรักโนนดูเหมือนคนเดินมาลักษณะท่าทางเหมือนจะเป็นพรามพ่อรู้สึกดีใจลูกจึงลงไปต้อนรับแกเข้ามาเถิดพระชาลีกุมารเมื่อได้รับพระบรมราชวงการจากเสด็จพ่อ นี่กล่าวว่าหม่อมฉันเลยเห็นอะไรเห็นแล้วเหมือนกันเหมือนกันพเจ้าค่ะว่าคนนั้นเป็นพราหมณ์ดูว่าแกจะมีความต้องการจะมาขออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่แกเป็นคนแกก็เป็นแขกของเราออืแกเป็นแขกของเราแล้วลูกจะออกไปต้อนรับพเจ้าค่ะตาชูชกเห็นไหมชาลีวิ่งมา ก็นดาว่านี่แหละคือราชโอรสของพระเวสสัดนดรควรที่เราจะค่มคู่ให้รู้จักกลัวเราเสียก่อนแน่จะได้มันจะได้ไม่ลำบากในภายหลังพอกุ ม, มารเอ่นคำต้นรับว่าพ่อรามทรงยม่มทรงบริฐานมาเถอะหนูจะช่วยรับ แกก็ขู่สำทับด้วยพรุทสวาจาว่าจาหยาบนะพุทธวาจาหยาบแกก็ขู่สำนับด้วยพรุทธสวาจาว่าไม่ให้เด็กน้อยจงหลีกไปอืจงหลีกไปให้พ้นไปเดี๋ยวนี้อย่ามาขวางหน้าคนเดี๋ยวจะถูกทํา้ายอ่อนแอแม่แกมาอย่างสุนัขกินแตน แล้อผมมาได้สดับจากนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะอิ ต, ตา น, นีชาาาเชิงหยาบคายเสียจริงๆรูปร่างเลยก็อัปยรักเต็มด้วยดิบุรุษโทษทุกรายการไอ้บุรุษะทษจะหมายความร่างกายของคนประเภทนี้มันไม่มีอะไรดีใครคาบหาสมาคมแล้วก็มีแต่โทษกรันตตาแกก็เข้าไปถึงหน้าพอดีนั่งของพระเวสสันดร แล้วก็กล่าวเป็นคำสมมติเนิยกถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐพรงทรงเสแสราราญอยู่ดีหรือพระเจ้าค่ะพระเวสิ้นดรจะได้ตัดว่า ด, ดูก่อนพรามเรามีความสุขสมวายดีไม่มีโรคภัยอันตรายใดๆรบ ก, กวนเชิญท่านขามาในอสง ข, ของเราเถิด เราขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีผลไม้ต่างๆทั้งน้ำพึ่งอสหวานของเราก็มีบริบูรณ์เชิญท่านบริโภคตามความปรารถนาเถิดตั้งแต่เรามาอยู่ป่านี้ยังไม่มีผู้ใดมาถึงที่อยู่เราเลยท่านมีธุระประสงค์สิ่งใดหรือจึงได้มาเป็นแขกคนแรกของเราในสถานที่นี้ <c oughs> เมื่อพระเวสสันดรตรัสจบโชชกก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงมากผู้ทรงพระมหากราุณาธิคุณกรากระหม่อมฉันมาก็เพืะอจะทูลขอสองอัุมาทั้งสองขอพระองค์ได้โปรดทรงปรทานแก่หม่อมฉันได้เถิดพระเจ้าข้ า, าเอาแล้วแกก็เว้าสอสื่อๆนะ ความจริงก็นหน้าถือกันเหมือนกันว่าไหนๆจะขอก็ขอกันเลยสำหรับพระเวชชนดอนนีนในสนว่า ด, ดูก่อนพรามเอ๋ยเรื่องการบริจาคทานแล้วเราไม่ได้วันไหวเลยเอาเถอะเราจะยอมยกให้แต่เ้ว่าขณะนี้พนาวัีผู้เป็นมันดายังไปหาผลม้อยู่ในป่ายัยงไม่กลับ ถ้าจะกลับก็คงเป็นเวลาเย็นเชิญท่านพักสักหนึ่งราตรีก่อนเถิดนฮะให้ค้างคืนด้วยเพื่อว่ากุมารทั้งสองจะได้รับการตกแต่งประดับประ ด, ดาจากพระมาณดากรพระรุ่งชาแล้วยิงค่อยพาไปนะพระรุ่งชาและท่านพรามจิงค่อยพาเด็กทั้งสองไป เป็นอันว่าเมื่อตายชูชกได้ฟังคำของเวสันดอเจนีกล่าวว่าข้าแต่คาติยะฤๅษีคาติยะฤๅษีหมายว่าฤๅษีผู้เป็นกษัต ร, ริย์นี่ก็สัตว์ตผู้เป็นฤๅษีนะก้าวกระลมอมฉันไม่อยากจะพักอยู่ที่นี่ถ้าอยากจะทูลลาไปเสนาบดี้เขาว่าพระมัตสี จะขัดขวางการบริจาคทานเพราะขึ่งชี้ว่าสตรีนี้เป็นอันตรายแกบุญของทายกและแก่ลาบของผู้จะรับทานคาว่าทายกนี่แปลว่าคนให้จะทำอันตรายบุญของทายกคือคนผู้ยกให้และก็เป็นทำลายลาบของบุคคลผู้รับทานด้วยคือผู้รับ กระมมฉันไม่ขอพบพนางมาสีแต่อย่าขอทูลลางไปบัดนี้ขอพระองค์ได้ทรงตัดเรียงสองกุมารนกุมารีมาให้แกข่าพระเจ้าเถิดพระเจ้าข่าแกมัดเฉยฮนอยูๆก็มัดเอาเลยแะถือเป็นของแกซะแล้วมันเป็นอย่างนั้นด้วยนะแปลกๆ <c oughs> คนนี้มันมีความเห็นไม่เสมอกัน เป็นเอาว่าในเวลานั้นพระเวสสันดรยินดีสนดุดว่าถ้ายอย่างนั้นก็ขอท่านจุมพาสงสุ ม, มารตรงไปหาพระเจ้ากรุงศสนชัยผู้เป็นอัญญาการท้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นหลานรักสิ่งกําลังช่างพูดน่ารักน่นดูก็ย่อทรงมีพระทัยยินดีและจ้พระราชทานทักย์แก่ท่านเป็นมากขอท่านจุมพาไปทางนั้นนะ เอาสอิฟังหนูที่ว่าชูชกกคจะไปหรือไม่ไปใครจะไปเมื่อชูชกได้สนับพระวาจาของพระเวสสันดรแล้วจึงได้กลาบถุนว่าข้าแต่พระราชบุตรผู้ประเสริฐกม็มอมฉันถ่าทำอย่างไรก็คงไม่พ้นพระราชอธิยาโดยทีย่ต้องถูกกล่าวหาว่าชกชิงรักเอาสองอุมารไป แล้วอาจจะถูกขายให้เป็นทาสหรือก็ประหารชีวิตเสียก็ได้กระบอกฉันกลัวที่สุดคือการจะถูกนางพรามณีเพื่ไมิจฉากรด่าเอาว่าไม่สามารถจะนําสงฆ์ ม, มารไปรับใช้เป็นทาสนางจะดา่าพิจิจนย่อยยับชนีดแหล่ไปเจ้าค่ะไอ้ที่มานี่ความจริงไม่ตั้งใจมาเองเหรอกก็กลับทูลว่อย่างนั้น ที่มาเนี่ยก็เพราะว่วาเมียใช้มานี่ระวังให้ดีท่านที่เมียโยงมากคนแก่มีพัญญาสาวก็วใครเล่าจะไม่รักแต่ระวังในความรักมันเป็นภัยโยงสมเด็จเรจอมไตรบริมาตรสันดาสรงตัดว่าปิยโตชายเตพปิยโตชายเตซโกปิยโตชายาเตพยัง ความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักและแฟนรายก็เกิดจากความรักแต่ความรักของระเวบเชน่าของนายชูชกนีมันไรผลเสียแล้วเพราะว่าชูชกมาออกจากบ้าน <c oughs> หลังจากวันนั้นไม่กี่วันนาไมิตันได้ก็เจ็กข น, น่มรบหลอ่อตอนนี้หนุ่มรูปหลอก็เลยพาอนาไม่ตดาเปิดไปเส็จแล้ว สำหรับชูชกผู้ใจกแกล้วถ้ากลับไปคราวนี้ก็หมดแล้วเมียไม่เหลือที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าภายหลังที่กล่าวแล้วว่าภายหลังอเมริกันดาถวายดอกไม้บูชาพระธตนทตรยัยดอกไม้ในดอกไม้ที่มีสีสดสวยงามจึงได้มีสามีหนุ่มตะวันหลังเป็นนั้นว่าว่ากันต่อไปว่าพระเวชนดนก็ทนแต่ว่ า, า, ท, ท, วาท่ากันนั้น ท่านยะพาสองกุมารไปไหนกันละ่ะจูชก็กราบทูลว่าจะขอเอาไปขายเฮ้และจะมอบให้เป็นท้ายของมิจดาพราหมณีนะดีไหมบอกตรงๆจะไปขายด้วยและจะมอบให้เป็นท่ายของนามิจดาพราหมณีซึ่งเป็นพัญญาข้าพเจ้า เพราะนั้นว่าในขณะที่ทั้งสองคือชวชกกับพระเวสสันดรสั่งสนทนากันอยู่นั้นสองกุมารในสะดับดังนั้นก็ตกใจทำให้ใจหวั่นไหว <c oughs> จึงได้พากันแอบหลังรพคันกิกรดีและก็เสด็จหนีเศร้าส้อนไปตามพงรกด้วยกลัวว่าตาชวชกเกียตามาจับตัว ให้ตกใจนันนรัวไม่อาจที่จะแอบอยู่ในที่ใดๆ ไ, ไ, ไ, ได้จึงได้พากันวิ่งไปทางโน้นแล้วก็กลับมาทางนี้จนในที่สุดก็ถึงกับถึงขอบสะปะครณีจึงพากันลงไปในน้ำเอาใบบัวปิดประเสียนซ่อนประกายประทับยืนยืนอยู่ในกระแสชนใ น, ในสถะนั้น นองศีวนิษตข้าปชานิดหนึ่งเมื่อ ก, กี้นี้ว่าตานองศีวนาสือตัดไปนิดหนึ่งเป็นนั้นว่าตามเรื่องจริงๆที่ละเอียดท่านบอกว่าอย่างนี้เวลาที่สองกุ ม, มารากุ ม, มารีที่กันหาและชาลีเมื่อได้ฟังตาชูชกกับพระเวสสันดรพูดกัน เป็นนั้นว่ามั่นใจว่ายังไงยังไงวันนี้นั่นก็ไม่คลาดจากมือของโชชกทั้ทงสองอยไดพากันวิ่งวกปูนเวียนไปเพื่อปราดจากเพื่อต้องการจะหนีแต่ว่าพอไปถึงสาโปกรณีก็แทนที่จะเดินเอาหน้าลง กลับเดินถอยหลังลงสแสดงที่รอยว่าไม่มีคนลงไปสประโปคณีแต่ว่ามีคนเดิขึ้นจากปั ก, กสระสระโปกคณีการสแสดงเช่นนี้จะให้ให้พระราชบิดาและทูชกมีความเข้าใจว่าทั้งสองนั่นท่านนั้นไซไม่ได้ลงไปสูปส่ปากสะโปคณีนี่ความจริงเรื่องราวจริงๆเขาเป็นอย่างนี้นะ แต่สีที่กำลังอ่านอยู่นี้ขาดไปแต่ก็ไม่เป็นไรขาดก็เติมให้แต่เวณนว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเป็นนั้นว่าการรับฟังในเรื่องนี้เป็นพระเวสสันดรกับประนางมัสสีหรือว่าจูชกจะมีโอกาสยกสองกุมารให้ไปได้หรือไม่ได้ เอาว่าไว้กันไว้วันหลังก็แล้วกันเพราะวันนี้มองในเวลาเข็มยาว เ, เ, เข้าเส้นสามสิบนาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีดด บ, บันรรดาธิาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี